อหยาดยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรึกรับรูสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกก็ตบปลายจะมุก ข, ของเราให้ชัดเจนตแต่จะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วรู้อย่างเราได้วิราะห์กายวิราขหอใจของเราแล้วรู้แยกนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยโน้มสำเนียง หลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆจะไปบังคับลมหายใจการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆกายของเราก็มีความรู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะใจของเราก็มีความตั้งมั่นอยู่ในกายของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่ภายในความรู้สึกกลับรู้อยู่ส่วนบนส่วนสมอง รู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้ารู้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะเราพยายามสร้างความรู้ถึกตรวจทั่วพร้อมแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องถ้าพลังเผลอหรือว่าหลุดไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่จนเกิดความเคยชินในการรู้กายแล้วก็รู้ใจรู้ฐานของใจรู้การเกิดของใจรู้การเกิดของความคิด แว่าเขาเกาะตัวอย่างไรเขาเกิดอย่างไรทําไมใจของเราถึงเกิดทําไมใจของเราถึงปรุงถึงแต่งส่งออกไปภายนอกในความคิดนั้นเป็นกุศลหรือว่าอกุศลในกายเนื้อของเราซึ่งเรียกว่าขันห้าซึ่งมีวิญญาณเข้ามาครอบครองเข้ามาสร้างพบสร้างชาติเขาเป็นลักษณะอย่างไรวิญญาณหรือว่าใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่คลายออกจากขันห้าเป็นอย่างไร ใจที่สงบภาษาธรรมเขาเรียกว่าอย่างไรสมมุติวิมุตติอัตตาอนัตตาการแยกรูปรดกินเสียงออกจากใจของเราตะวันทั้งหกรรหน้าที่อย่างไรเราต้องมันตรวจสอบแล้วก็มันท่ำสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดปฏิบัติไม่เข้าถึงความหมาย <c oughs> มันก็เป็นการปฏิบัติที่ ใจยังเกิดยังวิ่งยังหลงหยุงอาจจะโถกอยู่ในระดับของสมมุติไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีอยู่ได้บุญอยู่ในระดับของสมมุติแต่เราต้องทําความเข้าใจคลายใจออกจากขันห้าให้รับรู้อยู่ในกายของเราเพราะาทุกคนก็มีใจเป็นใหญ่แต่กําลังสติมีน้อยที่จะไปหมั่นอบรมใจแล้วก็ควบคุมใจแล้วก็คลายใจชี้เหตุชี้ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริง ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงการเป็นข้าทองกิเลสมันก็เป็นทุกข์การการที่ใจของเราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความทยอยานอย่างมันก็เป็นทุกข์ใจที่ส่งออกไปภายนอกเป็นอย่างนี้ใจที่รู้เห็นความเป็นจริงเข้าใจมองเห็นหนทางเดินเป็นอย่างนี้คือใจที่ปราศจากกิเลสไปใจที่ปราศจากการเกิด แล้วก็หมั่นพร่อมสอนใจของตัวเราแล้วก็รู้จักหมั่นพร้อละกิเลสกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่กิเลสอยากกิเลสละเอียดเราก็ต้องพยายามทาความเข้าใจแล้วจัดการกับเขาเสียงการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีการเต็มเปี่ยมในการลงมือต้องลงมืออยู่ตลอดเวลาจนไม่มีอะไรเหลือที่ใจของเราจนกําลังสติปัญญาของเราไปทำหน้าที่แทนทุกเรื่องจนกว่าจะหมดลมหายใจ อยู่ด้วยปัญญาไปด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาก็ต้องพยายามกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งระทั้งโยมทั้งชีคนเรานี้เกิดมาก็มีบุญแล้วบุญเก่ามีบุญใหม่แล้วก็มาสร้างมาทาความเข้าใจปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำความเข้าใจให้กระจ่างแต่แล้ ว, วันตื่นขึ้นมาเราต้อง วิเคาะตรวจเราว่าเราขาดตกปกพ่องอะไรอะไรเราควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรควรละอะไรควรเจริญก็ต้องพยายามกันไปอยู่ที่ไหนก็จะได้ไม่ตกอับอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขอย่าไปเกลียดคล้านถ้าคนเราเกลียดคล้นานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญเกลียดคล้านทั้งภายนอกเกลียดคล้านทั้งภายในสร้างสะสมความเกลียดคล้านไม่มีความรับผิดชอบไม่มีกัน ขัดเกลากลิเลสออกจากใจของเรายากที่จะเข้าถึงธรรมการที่จะรู้ธรรมต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความขยันในการวิเคราะห์ในการพิจรารณาทั้งหยาบทั้งละเอียดอืทั้งใกล้ทั้งไกลมองลงไปที่ใจของเราว่าขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าคนเรายังอาศัยสมมุติจิตใจก็มาอาศัยกา ย, กายกายก็อาศัยโลกธรรม อาศัยปัจจัยสี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่สมมติกับวิมุตก็อาศัยกันอยู่เราต้องทับความเข้าใจให้กระจ่างเสียก่อนที่จะหมดลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระเราชีเราก็พยายามขยันมั่นเพียรวันนี้รวมผลกันวันนี้รวมผลกันช่วยกันติดหินกาบเสาสลาโรงทานกันนะติดหินกับเสาสลาลงทานกันช่วงใบบ่ายคงจะได้เท ป, ปูน เทปุลคานสลาลงทานสลาที่จะทํำสลาลงทานตั้งลงทานที่แจกทานเพื่อที่จะไม่ให้ได้ลําบากกันมีโอกาสเราก็ได้ช่วยกันอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตรงไหนไม่ดีเราก็รีบช่วยกันทําความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินห้องช่วงห้องน้ําเราก็ช่วยกันดูแลคนเราถ้าไม่ได้ฝึกนี่ก็ลําบาก ขนาดช่วยกันทำช่วยกันฝึกอยู่คนภายนอกก็เข้ามาบางทีก็ทิ้งเกินการไปทั่วนั่นแหละคนไม่ได้ฝึกจะเอาตั้งแต่ผลอยากได้ตั้งแต่ผลอยากได้ไดแต่ความสุขเข้ามาก็มีความสุขอยู่แต่ความเป็นระเบียบก็ทิ้งเกินไปทั่วเพราะว่าขาดการฝึกขาดการอบรมขาดความเป็นระเบียบเราก็ช่วยกันขนาดฝึกอยู่แท้ หาความเป็นระเบียบบางทีก็ลั้งเถอนก็มีก็ต้องเริ่มใหม่ถ้าคนเราขาดความเป็นระเบียบมันก็ยากที่จะเข้าถึงภายในได้เราต้องจัดการทั้งภายหนจัดการทั้งภายนอลเราลดเหลือออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่เลือกการเลือกเวลาอะไรที่จะเป็นประโยชน์เรากรีบทำเซเราก็พลอยได้รับประโยชน์นั้นด้วยคนอื่นมากเขาพอยได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าเราไปงอเมืองงอเท้าอยู่คนเดียวก็หนักอยู่หลายคนคนักหนั ก, น ก, นกตัวเองนักทหารที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นแต่ส่วนมากจะไปชอบเบียดเบียนคนโน้นคนนี้ไม่ว่ากระทั่งวาจากระทั่งความคิดไปอยู่ที่ไหนคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีทหารที่นั้นเป็นอย่างนั้นทหารที่นี้เป็นอย่างนี้ทั้งกิเลสมันก็เกิดขึ้นจากภายในของเรานั่นแหละไม่รู้จักจัดการถ้าใจของเราดีแล้วเราก็มองเห็นโลกเป็น ดีไปหมดนัะถ้าใจเราไม่ดีเราก็มองเห็นโลกไม่ดีดีแกะไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเสียก่อนที่จะหมดลมหายใจอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งส่วนญาติโยมที่ชาวคณะรงปูนที่ได้มาก็มีอะไรก็ช่วยกันให้ถือเสียว่ามาที่นี่มาบ้านคงเรานี่อะไรก็ช่วยกันทําผู้บริหารหัวหน้างานท่านก็ได้ทําบุญให้กับบริวาร จัดสรรบริวารมาวัด ม, มาช่วยการช่วยงานวางภาระหน้าที่การงานทางสมมติที่เคยทำอยู่นี่แหละมีจิตใจที่เป็นบุญอยากจะให้ทุกคนได้มีความสุขเข้ามาวัดก็ไม่นิ่งดูได้ความขยันมันเพียนความรับผิดชอบมีติดตามตัวมาตลดอดอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยอะไรพอทำได้ก็ทำตั้งแต่จากความไม่มีอะไร มาช่วยกันทําจนบริบูรณ์จนสมบูรณ์นั่นแหละพวกเราก็พ่อยได้รับอานิสงส์ในหน่วยงานต่างๆที่ได้มาช่วยกันเราพ่อก็ขอขอบใจทุกคนขอบใจผู้บริหารที่ได้นํำพาบริวารมาสร้างอานิสงส์สร้างกุศลกันพวกเราก็ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีทั้งกําลังกายกําลังใจทั้งกําลังทรัพย์อยู่ที่บ้านเราก็ทําอยู่ที่โรงงานเราก็ทํามีความรับผิดชอบ เรามีความเสียสละเพียงพอเต็มที่หรือไม่เรามีความขยันเต็มที่หรือไม่เรามีความรับผิดชอบเต็มที่หรือไม่นั่นแหละอานิสงส์ก็จะติดตามตัวเราไปถ้าเราไม่มีความเสียสละเราก็คงจะทํางานให้กับส่วนรวมนีออยากทางานให้กับส่วนรวมไม่ค่อยจะได้ถ้าคนเรามีความเสียสละอยู่ที่ไหนก็เป็นงานทํางานให้เป็นงาน เราก็พอยได้รับประโยชน์ในสิ่งที่เราทําคนอื่นมาก็พอยได้รับประโยชน์ไม่ใช่ว่าฉันจะไปพฏดีบัติธรรมทําอะไรก็ไม่เป็นนั่นแหละโ ง, ง, ง่ทั้งโง่ทั้งหลงช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ใช้ตัวเองก็ไม่เป็นหนักตัวเองหนักคนอื่นเป็นพันธะเป็นภาระให้กับหมู่กับคณนะเราก็ต้องพยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่เหลือวิสัยลงจริงพระเราชี้เราขยันมันเพี้ยนกันไม่ว่ากลางวันกลางคืน เรามาช่วยกันสร้างกองบุญกองนี้ให้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วแหละยิ่งใหญ่ใครไปใครมาก็มีความสุขยิ่งใหญ่ทางด้านจิตใจมาแล้วก็มีความสุขทั้งไกลทั้งไกลอันนี้ส์ผลบุญจากที่พวกเราทําก็ล่นเหลือเพื่อแผ่ไปทั่วก็พยายามประคับประคองให้เต็มที่ปีหน้าก็จะได้ผาฉลองสมโพธ์ใหญ่ก็คงจะประมาณช่วงก่อนก่อนมาฆะหรือว่าช่วงที่ต้นกรลับประพฤกษ์สวน มะลีวันออกดอกกันเต็มสวนนั่นแหละปีหน้าก็คงจะเกือบเต็มพอปีนี้ก็ออกหลายต้นออกหกเกต้นเกือบเต็มต้นปีหน้าก็คงจะออกเกือบเกือบเต็มหมดทั้งสวนไม้ดอกไม้หอมสารพัดไม้ที่ลงมาปีนี้ก็ลงไม้เยอะลงไม้เยอะในป่านี่ลงสาละเยอะยังเหลืออีกประมาณสักสามสรต้นนะที่จะเอามาลงต้นเล็กๆต้นใหญ่ก็เยอะไม้หอมไม้สาระ ไม้ประวัติศาสตร์ที่เป็นไม้ที่พระพุทธองค์ท่านได้ประสูดอยู่ใต้ต้นสาละถ้าเติบโตขึ้นมาในออกดอกเต็มป่าเป็นส่วนประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นหรืออาจจะเป็นของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าเอาไม้สาละมาปลูกเยอะหลายร้อยต้นสี่ห้าร้อยต้นทั้งไม้สาละไม้ปรีบหอมไม้กันเกา้าไม้หอมให้ร่มเงาทั้งต้นไซใหญ่ไซเล็กเอามาปลูก เพื่อความลมรื่นลมเย็นสมัย30ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้จะหาที่เดินก็ยากลําบากมีตั้งแต่ปะเพกป่าน้ํามีตั้งแต่กองกระดุกไม่มีใครอยากจะย่างก่ายเข้ามาเพราะวันไม่น่าอยู่เป็นสถารที่น่ากลัวแต่ทุกวันนี้เราทําทหารที่น่ากลัวให้เป็นสวนน่ารื่นดมน่าอาศัยให้เป็นกองบุญใหญ่ด้วยเรียงบุญเรียงใจของทุกคนที่หล่อล้อมรวมกันอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียร อาศัยความเป็นหนึ่งเรามาก็อย่างอมืองงอเท้ามาช่วยกันทําจากคนรุ่นแรกโูวรุ่นต่อต่อไปถึงเราจากไปรุ่นหลังก็สร้างสารรค์ต่อไม่ได้ลําบากไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องมาเริ่มใหม่มก็จะได้เป็นอา น, นิสงส์ใหญ่ของทุกคนของสถานที่ อันนี้สงก็ตกอยู่กับพวกเรานั่นแหละไม่ได้ตกอยู่กับใครหรอกวันนี้เขาะจะเรินทาเป็นตัวนี้ปากันไว้ผ้าพอมๆกันปากันไปสร้างฐานต่อทำความเข้าใจกันเอานะ